เรื่องห้ามโจรมีชื่อเสียงบรรพชาภิกษุทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นตนําหนิประนามโพนธนาจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายโจรที่มีชื่อโด่งดังไม่พึงให้บรรพชารูปใดให้บรรพชาต้องระบัติทุกกฎ